ไม่เอาใจใส่ในกิจการของสังคมหรือว่าชีวิตพระสงฆ์เป็นชีวิตที่ปลีกตัวโดยสิ้นเชิงไม่รับผิด ช, ชอบต่อสังคมเป็นต้นข้อพิจารณาต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดที่กล่าวแล้วนั้นข้อพิจารณาที่หนึ่งสมาธิเป็นเพียงวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายไม่ใช่ตัวจุดหมายผู้เริ่มปฏิบัติ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 เพื่อประโยชน์ในข้อที่ธรรมสุขวิหารส่วนเวลาที่เหลืออยู่มากมายในชีวิตก็สามารถใช้ให้เป็นไปตามพุทธพจน์ ท, ที่มีเป็นหลักมาแต่ดั้งเดิมคือจรถะพิกเวจาริกังพระหูชนะฮิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชน เพื่อเกื้อกาลุณแก่ชาวโลกข้อพิจารณาที่3การดำเนินปฏิปทาของพระสงฆ์ขึ้นต่อความถนัดความเหมาะสมของลักษณะนิสัยและความพอใจส่วนตนด้วยบางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยู่ป่าบางรูปถึงอยากไปอยู่ป่าก็หาสมควรไม่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในป่า หลายเรื่องและแม่พิสษุที่อยู่ป่าในทางพระวินัยของสงฆ์ก็หาได้อนุญาตให้ตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างฤาษีชีไพรไม้โดยให้พิจารณาจากวินัยบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับครหอขัดในด้านการเลี้ยงชีพเป็นตน้นและบทบัญญัติให้พระพิสษุทุกรูปมีส่วนร่วมและต้องร่วมในสังฆกรรม เกี่ยวกับการปกครองและกิจการต่างๆของหมู่คณะข้อพิจารณาที่4ประโยชน์ของสมาธิและฌานที่ต้องการในพุทธธรรมก็คือภาวะจิตที่เรียกว่านุ่มนวลควรแก่งานซึ่งจะนำมาใช้เป็นที่ปฏิบัติการของปัญญาต่อไปดังกล่าวแล้วส่วนการใช้สมาธิและฌานเพื่อประโยชน์อื่นจากนี้ถือเป็นผลได้พิเศษและบางกรณี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 ส่วนผู้ใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปัญญาผ่านทางวิธีสมาธิและได้อิทธิปาฏิหารด้วยก็ถือเป็นความสามารถพิเศษใบอย่างไรก็ดีแม้ในกรณีปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุจุดหมายการได้อิทธิปาฏิหารย่อมเป็นอันตรายได้เสมอเรียกว่าเป็นปริพโธดคือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของวิปสนา เพราะเป็นเหตุให้เกิดความหลงเพลินและความติดหมกมุ่นทั้งแก่ตนและคนอื่นและอาจเป็นเหตุพอกพูนกิเลสจนถ่วงให้ดําเนินต่อไปไม่ได้พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีอิทธิปาิหารมากมายแต่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาิหารเพราะไม่ใช่วิถีแห่งปัญญาและความหลุดพ้นเป็นอิสระตามพุทธประวัติจะเห็นว่าพระพุทธเจ้า ส่งใช้อิทธิปาฏิหารในกรณีเพื่อระ ง, งับอิทธิปาฏิหารหรือเพื่อระ ง, งับความอยากในอิทธิปาฏิหารข้อพิจารณาที่ห้าสำหรับท่านผู้ฝึกอบรมก้าวหน้าไปในมัคแล้วหรือสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วมักนิยมใช้การเจริญสมาธิขั้นชาญเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างสุดกสบายในโอากาศว่างๆเช่นพระพุทธองค์เองแม้จะเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนจํานวนมาก เกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นวรรณะและทรงปกครองคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แต่ก็ทรงมีพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือชายีและชานศีลีหมายความว่าทรงนิยมฌานทรงพอพระทัยประทับในฌานแทนการพักผ่อนอย่างธรรมดาในโอกาสว่างเช่นเดียวกับพระสาวกเป็นอันมากอย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ที่ปรากฏว่าทรงปลีกพระองค์ไปอยู่ในที่สงัดเป็นเวลานา น, า น, านถึงสเดือนเพื่อเจริญสมาธิก็เคยมีพึงสังเกตตามเรื่องในคำมพีร์รุ่นหลั ง, ลงกล่าวถึงพวกราศรชีชีพัยก่อนสมัยพุทธกาลที่เจริญฌานได้เก่งกล้านิยมเอาฌานเป็นกีฬาจึงมีศัพท์เรียกว่าฌานกีฬาซึ่งหมายความว่าฌานเป็นเครื่องเล่นสนุกหรือสิ่งสำหรับหาความเพลิดเพลินยามว่าง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 หรือยอมให้ได้สำหรับผู้ที่พัฒนาอยู่ในระดับไหนการนิยมหาความสุขจากชานี้บุคคลใดจะทำแค่ไหนเพียงใดย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่หากความติดชอบมากนั้นกลายเป็นเหตุละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมย่อมถูกถือเป็นเหตุตำหนิดได้ถึงแม้จะเป็นความติดหมกมุ่นในขั้นประนีตกล่าวโดยพื้นฐาน ระบบชีวิตของพระพิสุสงในพระพุทธศาสนาว่าตามหลักบทบัญญัติในทางวินยัยย่อมถือเอาความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลักสำคัญความเจริญรุ่งเรืองก็ดีความเสื่อมโทรมก็ดีความตั้งอยู่ได้และไม่ได้ก็ดีของคณะสงฆ์ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นเป็นข้อสำคัญเมื่อมองโดยรวมในขั้นสูงสุดย่อมเห็นชัดว่า